หรือมีคนเข้ามาสงมาถามเนี่ยนะครับเราก็นึกเอาเนี่ยจากการรมมองว่าหกปีของผู้เจ้าเจ้าเนี่ยคงจะไม่ใช่ประสบการณ์แค่ทีเดีย เ, เ, เล็กๆน้อยๆั น, น, นะต้องมากกว่านั้นอีกไม่รู้สำไมยังครับยังตอนนั้นยังไม่ได้อนะ่ได้ใจทานยังไม่ได้อีกอย่าง ท่านก็เลยไปหลงเรียกว่าไปเตียนพยายามด้วยทางอื่นมานาประการจนกระทั่งเรียกว่ากรรมหมดนะกรรมหมดก็เลยมาได้ตัดรูตั้งหกปียังก็ไม่ได้เป็นเป็นโปอยตัดและยังไม่ได้ไม่ได้ใน ล, ลุกติดอื่นนะมาได้เองยังไม่เป็นตัวได้บ่อยเรียกว่าเป็นผู้ดูชนที่สร้างบา ร, รมีเพืเป็นบุตรจักร จริงดีกว่านับ ถ, ถือศาสนาอื่นคือนับถือศาสนาอื่นนั่นเองหมายถึงนับถือศาสนาอื่นในที่นี้ไม่ใช่ก็เอาตัวคนเป็นหลักของเราพูดว่านับถือศาสนาอื่นคือนับถือคำสอนของคนอื่นเพราะฉะนั้นในคอคําปฏิ ญ, ญาณเป็นตาสนิทกชนในเจ้าดีเจได้เป็นบกเนี่ยบางคนก็เข้าพเจ้าขอถึงขั้นเป็นตทานะ บางคนเรื่องสายลานโนนก็ถึงร้านโนนล่านโนแล้วก็ให้ไปให้ถึงก็ตาสดายบางคนก็ขอถึงพระพุทธด้วยพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้ว ย, วยเช็นแบบรนะันก็มีหรือบางทีไปเจอคนไม่ดีก็ถึงคำคำของท่านเป็นสนานั้นะว่าบูชาบุคคลผู้ทีคุณบูชาจชอย่านะจะยังไง อ๋อครับเป็นศาสดราฮะครับมันก็มีนดหลั่นกันเราบูชาเป็นศาสดาอานะเป็นศาสดากับบูชาเป็นแต่เพียงปูชนียบุคคลในระดับหนึง่งจึงมีระดับบูชาเป็นครอบลรัวอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเมื่อเป็นพุทธเจ้าแล้วท่านไม่มีศาสดา แต่ท่านเคารพอะไรเคารพธรรมหรือไม่มีตัวคนก็ไมมีตัวคนที่สูงกว่าแล้วก็เคารพหลักการข้อสิบเอ็ดเราก็เลยวกมาถามว่าถ้าเป็นโสดาบันแล้วจะนับถือศาสนาอื่นอีกไหมมันคือเปลี่ยนศาสนาหรือไปนับถือที่ไม่เขตมุ้นนะไม่มีครับเพราะฉะนั้นความเป็นอาจาระอาจารย์ละศัทธา นีือถ้าเป็นธรรมนัชใช้สมองธรรมนัชก็ตรรมนัชผู้ไม่หวั่นหวอาจจะักธรรมนัชธรรมนานผู้ไม่หวั่นหวั่ไม่หวั่นไหวอะไรคือไม่หวันหว่ น, น, ะะ น, นไหวในสภาวะาาของตัวบวดแล้วไม่ฝึกโซดาพราะจ้นี่จึงเป็นเครื่องที่สูดที่บางแค่งเขาว่าคนหนึ่งร่างองค์หนึ่งเป็นร่างจุดฝีมือขวากากรมาเป็นอนาคตาแล้วแต่หลังจะนั่งไม่นานฝึก ไมเกินชาวบ้านเลยทะเอาะอาจารย์ด้วยดิเราก็เห็นชัดนุ้มหน่เนี่นี่เป็นเครื่องพิสูจน์เลยนะในแง่หลักการว่าถ้าเราเป็นถึงอนาคตนุ้มยินนั่นกว่าโตดะแล้วทาไมทําไมศึกศึกแล้วไม่ศึกปลาศึกไปทะเลาะต้องะลอะอาจารย์ดิจึงเลยเสียหมดทั้งทั้งคู่เลยทั้งทั้งสถา บ, บ, บันเลยเดียวทฤษฎีของที่นั่นหมดแย่งหลักการในชัดชัดเลยทีเดีย เวลาหมดซะแล้วนะครับก็เลยหน่อยผมนึกว่าจะให้ใ ห, ให้จบก็ไม่จบกพคงะผมยังต้อง่อข้างหน้าอ๋อวันถ้าวันจันทร์หยุดหยุดเราก็ไปต่อกันวันที่เก้าวันที่เก้าพบกันใหม่เหลืออีกสักหนึ่งนาทีสองนาทีใครจะถามอะไรเราก็ได้ ออย่างนั้นเราเนี่ยว่าไม่ไม่ไม่เป็นถือเป็นสาระนะฮะการแต่เพียงแต่เราเขาเล่นนับถือทันเอมันมันเรานับถึงพ่อแม่อย่างงี้นะก็อย่างที่ท่าระยาเคยเทศน์บอกว่าไม่ว่าพิสารเดวดาสารภูมิอะไรเนี่ยเป็นการพูด น, นอกใจอะไรอย่างงี้ยท่านก็มองในแง่หนึ่งว่าท่านอาจจะคิดว่าหมาย้องไปถือเป็นสาระถ้าอย่างนั้นเราจิต แต่ว่าที่เราไปไหว้เนี่ยเราก็เหมือนว่า้พ่อไปว้แม่เราก็ไม่ได้ถือว่าพ่อแม่เป็นมาตาการังไรขาหมีอะไรอย่างเงีะแต่เหมือนกับเราไหว้เราก็รบกันปในเงี้ยนะฮะมันก็เป็นเป็นบุญเป็นอาปจะเจเป็นอาปรจียนนามัยอย่างหนึ่งดีทั้งเจยวดาก็เหมือนกันแต่ถ้าใครไปไหว้เป็นสมณะอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นชาวพุทธนอกใจก็ไม่ใช่พุทธแหละเรียกว่าเสียสนุนนะ แต่เราเป็นพุทธี่ยจะลองไปขึ้นสระนาคาใครถือว่าเสียสระนาคาสระนาะต้องมาสมาทานกันใหม่แต่เราก็สมาทา น, นอยู่เรื่อยเวลารับสีพุทธทางรมนางย้ำอยู่เ้วย